สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในข้อคิดจากสุภาษิตครั้งที่สิบเจ็ดเรื่องคนเก่งต้องพึ่งพระเจ้าพระเจนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้สุภาษิตบทที่สามข้อที่ห้าครับโปรดฟังพระเจ้าใของพระเจ้าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งผาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะส่งกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นผมอยาก่าข้อที่ห้านะครับในเวอร์ชั่นอื่นจงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจและอย่าพึ่งความเข้าใจของตนเองในภาษาอังกฤษนะครับ Trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thy own understanding. เวอร์ชันภาษาอังกฤษอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับ Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. พี่น้องครับในเช้าวันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะหนุนใจให้ข้อคิดกับพี่น้องก็คือคนเก่ง ต้องพึ่งพระเจ้าคำว่าเก่งกับคำว่าพึ่งนั้นเป็นกุญแจสําคัญครับอาจจะมีคนเก่งที่ไม่พึ่งพระเจ้าหรือในขณะเดียวกันมีคนไม่เก่งแต่พึ่งพระเจ้าหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เก่งและไม่พึ่งพระเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เราเห็นถึงคนสี่ประเภทนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเก่งและการพึ่งในพระเจ้า คนประเภทแรกก็คือคนเก่งคนเก่งและพึ่งพระเจ้าคนประเภทที่สองก็คือคนเก่งแต่ไม่พึ่งพระเจ้าคนประเภทที่สามก็คือคนไม่เก่งแต่เขายังพึ่งพระเจ้าและคนประเภทสุดท้ายก็คือคนไม่เก่งและไม่พึ่งพระเจ้าที่นับสี่ประเภทนี้ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องคงเลือกถูกครับว่าเราควรจะทํำยังไงถ้าเรารู้ว่าเราเก่ง เรายิ่งต้องพึ่งพระเจ้าในขณะเดียวกันถ้าเรารู้ว่าเราเก่งน้อยหรือเก่งกลางกลางเราต้องพึ่งพระเจ้ายิงมากขึ้นกว่าคนที่เก่งในขณะเดียวกันครับคนที่เก่งแต่ไม่พึ่งพระเจ้าต้องกลับใจครับกลับใจเพื่อที่เราจะต้องพึ่งพระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีตอนนี้บอกว่าอย่าให้เราพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองพี่น้องครับความรอบรู้นั้นความรู้ทําให้ลําพอง ใช่ไหมครับแต่ความรักนั้นเสริมสร้างขึ้นความรอบรู้ของคนความเก่งของคนสถานภาพต่างๆของคนพูดง่ายว่าคุณมีอะไรเรามีอะไรนะครับอันนั้นจะมีผลกระทบกับความหญิงแะโสและความถ่อมใจของพวกเราพี่น้องครับสมมุติว่าถ้าเรานั้นถ่อมใจเราบอกว่าเราเป็นคนไม่เก่งเรายิ่งต้องพึ่งพระเจ้ามากที่สุดครับ นะครับเราต้องยิ่งพึ่งพระเจ้ามากที่สุดแต่ส่วนคนไม่เก่งและยิ่งไม่พึ่งพระเจ้านั้นพี่น้องเหล่านี้ยิ่งต้องกลับใจครับกลับใจให้หนักที่สุดเลยครับกลับใจให้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่เก่งและเรายังไม่พึ่งพระเจ้าอีกนะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้คนสี่ประเภทนี้จะทําให้เราที่จะรู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นคนเก่งหรือไม่เก่งเราต้องพึ่งพระเจ้าครับที่นี่นะครับได้บอก กับพวกเราซึ่งเป็นอทุกๆคนซึ่งเป็นผู้เชื่อเพิ่มพีในข้อที่ห้านี้สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับทุกคนที่เป็นผู้เชื่อได้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคนที่รับใช้พระเจ้าอยู่คนที่รับใช้พระเจ้าอยู่พระเจ้านั้นโปร่งได้เลือกเราทั้งหลายออกมาไม่ใช่เพราะความเก่งของเราไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีทักษะอะไรดีหรือ ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่สังคมยกย่องหรือไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีเงินทองมีสติปัญญามากกว่าคนอื่นแต่พี่น้องครับการเลือกของพระเจ้านั้นพระเจ้าเลือกเพราะเหตุที่ว่าพระองค์ทรงพระคุณและมีพระคุณกับเราเปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับคนที่ไม่เก่งหรือคนที่เป็นเด็กอนุชนทั้งหลาย พี่น้องครับอยากจะหนุนใจครับบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเรายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอในการที่เราจะรับใจพระเจ้าเรายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอเราไม่เก่งพอแต่พระพี่ได้พูดให้เรามีกำลังใจครับว่าเรานั้นอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองเราดูนะครับพระเจ้าได้ใช้กษัตริย์ดาวิดอย่างไรตอนไหนครับตอนที่เขาเป็นเด็กตัวเล็กๆไม่ได้ตัวใหญ่มากเหมือนกษัตริย์ซาอูลนะครับ พคัมีรบอกว่าเนื้อตัวเขายังแดงๆอยู่นะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไม่ค่อยถูกแดดนะครับแสดงว่าไม่ค่อยได้กรลมศึกกรลมแดดนะนี่พระเจ้าเลือกเขาเยเรมีก็เหมือนกันครับพระเจ้าเลือกเขาตอนที่เขายังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรแต่พระเจ้าได้ใส่พระคำของพระองค์ใส่พระวาจาของพระองค์เข้ามาอยู่ในปากของเยเรมี เพื่อที่เยอรมีนั้นกล่าวคำพยากรณ์ให้กับชนชาติของพระเจ้าในขณะที่พระเจ้าได้ใช้ดาวิดในการฆ่าโคละแอตซึ่งเป็นยักษ์เช่นเดียวกันครับถ้าเราพึ่งพาพระเจ้านะครับมากกว่าที่เราจะพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองแล้วแล้วก็พระเจ้าจะอวยพรและเราจะประสบความสําเร็จและทางของเรานั้นจะได้รับการทรงนําของพระเจ้าตอลอดไป แต่ว่าหลายครั้งทีเดียวครับเราพึ่งพาความรอบรู้ของตัวเองหลายคนมีทัศนคติที่ว่าเกรงใจพระเจ้าไม่อยากรบกวนพระเจ้าอะไรที่เราทำเองได้เราทำเองอะไรที่ยากเราก็ต้องพยายามทำด้วยแรงของเราด้วยสติปัญญาของเราไม่ค่อยได้อธิษฐานพึ่งพาพระองค์ไม่ค่อยได้มอบแผนงานให้กับพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่เราขาดทุนนะครับผมใช้คาว่าขอใช้คาว่าขาดทุน นะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราจะต้องให้เวลาที่เรามีอยู่ที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลให้ดีที่สุดเราจะต้องใช้ต้นทุนที่พระเจ้าได้ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นของประทานความสามารถโดยการพึ่งพาพระเจ้านั้นจะเกิดผลที่ดีที่สุดเพราะว่าอัครทูตเปาโลบอกว่าพระเจ้าปลูกอรโลรดน้าแต่พระเจ้าเป็นผู้ทาให้เติบโต เช่นเดียวกันครับธุรกิจหน้าที่การงานนะครับการกิจการค้าส่วนตัวของเรานั้นเช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าเราให้พระเจ้ามาก่อนให้พระเจ้าเป็นเจ้าของบริษัทเราจะพบว่าพระเจ้านั้นทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเมื่อเราเลือกพระองค์ก่อนเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนตรงก็จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ ใช่ไหมับจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจคาว่าวางใจนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคาว่าวางใจนั้นมีความหมายว่าเราต้องพึ่งนะครับพึ่งพาพระเจ้าคาว่าพึ่งพาพระเจ้านั้นเป็นไงครับพึ่งพาพระเจ้านั้นมีความหมายอย่างนี้ครับพึ่งเป็นภาพของการทิ้งตัวทั้งตัวลงบนบางสิ่งบางอย่าง ที่เราไว้วางใจหรือพึ่งพิงเขาได้พึ่งคาว่าพึ่งเป็นภาพของการทิ้งตัวลงทิ้งตัวลงบางบนบางสิ่งบางอย่างที่สามารถไว้วางใจหรือพึ่งพาพึ่งพิงเขาได้เพียงครับเวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องอะไรนะครับสักอย่างหนึง่งบางครั้งเรารู้สึกไม่สามารถไว้วางใจใครได้เลยแม้แต่ คนใกล้ชิดแต่เรารู้ว่าเราสามารถไว้วางใจพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราและเพราะพระองค์ทรงสัพพันยูตัดสินเรื่องเราทุกเรื่องได้ดีกว่าเราพระองค์ทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรหรือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเรานั่นคืออะไรพี่น้องครับเราจะต้องเชื่อและไ ว, ว้วางใจพระองค์ทั้งหมดในชีวิตของเราทุกๆด้าน หมดทั้งชีวิตหมดทั้งความคิดหมดทั้งจิตใจของเราในทุกๆ ก, การตัดสินใจเลือกของเราพี่น้องครับเราจะต้องพึ่งพระองค์ให้มากที่สุดนี่คือดัชนีตัวชี้วัดว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์มากแค่ไหนก็คือหนึ่งเราคิดถึงพระเยซูบ่อยครั้งแค่ไหนสองเราพึ่งพาพระองค์บ่อยครั้งแค่ไหนอามนีน